บาลวันรท่านสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สิบมิถุนายนพุทธศักราชสองพห้ารสี่สิบเจ็ดตรงกับวันพรหัสแรงแปดข้ามเดือนเจ็ดปีวอกเป็นวันพระ วันธรรมศัสวนะวันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาความเลื่อมใสนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาความเชื่อและปัญญาความเห็นชอบ ความเลื่อมใสที่เกิดจากศรัตนั้นเป็นความเลื่อมใสที่ยังไม่แน่วแน่มั่นคงยังมีโอกาสที่จะหวั่นไหวสั่นคลอนหรือล้มเลิกไปได้ไม่เหมือนกับความเลื่อมใสที่เกิดจากปัญญาความเห็นชอบเพราะเป็นความรู้จริงเห็นจริงตามแนว ความที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นความเลื่อมใสที่มีความแน่วแน่แนมั่นคงถาวรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกะตานจะไม่ทำให้ความเลื่อมใสชนตินี้หวั่นไหวได้เปรียบเทียบความเลื่อมใสที่เกิดจากศรัทธาก็เป็นเหมือนกับคนตาบอด ได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆจากผู้อื่นแต่ตนเองยังไม่ได้เห็นด้วยตนเองจึงไม่มีความแน่วแน่มีความมั่นใจส่วนศรัทธาความเลื่มใสที่เกิดจากปัญญาความเห็นชอบนั้นเป็นเหมือนกับคนที่ตาดีมองเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วย่อม มีความแน่วแน่มั่นคงต่อสิ่งที่ตนเห็นดังนั้นผู้ที่ยังขาดปัญญาแต่มีความเลื่อมใสด้วยศรัทธาในขั้นต่อไปสิ่งที่เพื่งจะ ก, กระทําก็คือพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า เกิดขึ้นได้สามลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านธรรมะคำสอนของพระพาาุทธเจ้าปัญญาชนิดที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดไตรตรองด้วยตนเอง บางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปได้ยินได้ฟังธรรมะหรือได้ศึกษาธรรมะมาก่อนแต่ภายในจิตของตรงตนนั้นเป็นคนที่ชอบไข้ควรชอบคิดใส่ ต, ตรองอยู่เรื่อยๆด้วยเหตุด้วยผลก็จะทําให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้ส่วนปัญญาชนิดที่สเรียกว่าภาวนาเมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เกิดจากการเจริญจิตตะภาวนาปัญญาทั้งสามชนิดนี้ชนิดสองชนิดแรกยังเป็นปัญญาที่ไม่ได้สำลิศผลไม่เหมือนกับปัญญาชนิดที่สาเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดผลได้อย่า ง, า ง, างเต็มเปี่ยมถ้าจะเปรียบเทียบก็คือปัญญาชนิดแรกอย่างวันนี้ ท่านได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสอนให้ละเว้นจากบายามุกต่างๆละเว้นจากการเสพสารยาเมาละเว้นจากการเล่นการน์นันละเว้นจากการเที่ยวเตร่ละเว้นจากการครบคนชั่วเป็นมิตละเว้นจากความเกลียดครงท่านได้ยินได้ฟังแล้วแต่เมื่อถึงเวลาที่จะปฏิบัต ท่านอาจจะยังไม่สามารถจะปฏิบัติได้เช่นถ้าเคยเสพสุรายามามาเป็นนิสัยถึงแม้จะรู้ว่าการเสพสุรานี้เป็นคิดเป็นโทษเป็นภัยกับตนแต่ยังไม่มีความสามารถที่จะเลิกได้นี่เป็นนี่เป็นผลที่เกิดจากปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้านำเอาไปปฏิบัต คือพยายามฝืนทุกครั้งที่มีการมีความอยากที่จะเสพ ร, ราก็พยายามฝืนไปเรื่อยๆพยายามสอนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าเสพ ร, ราไปแล้วเกิดมีแต่ความเสียหายขึ้นมาเช่นเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพชีวิตจะสั้นลงไปกว่าคนที่ไม่ได้เสพ ร, รา ถ้าคอยพร่ำเตือนสอนตนอยู่เรื่อยอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ช้าก็เร็วปัญญาอันนี้ก็จะมีพลังที่จะทำให้หยุดเลิกจากการเสพสุรายามเมาได้ถ้าเลิกได้ก็แสดงว่าเราได้ปัญญาชนิดที่สามที่เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการ ปฏิบัติเมื่อละเลิกจากสุราแล้วก็เห็นโทษเห็นคุณของการเสพและการเลิกสุราไปและเมื่อเห็นคุณเห็นโทษของการเสพและการละแล้วต่อไปหลังจากนั้นก็จะไม่เสพอีกต่อไปถึงแม้ใครจะเอาสุราราคาแพงๆมาให้ดื่มฟรีๆก็จะไม่มีความอยากที่จะดื่มเพราะเห็นโทษ เหมือนกับคนที่เห็นคิดเห็นใครของอสรคิดเวลาใครจะให้งูคิดมาฟีๆีเปล่าๆก็ไม่อยากจะได้เพราะไม่รู้ว่าจะเอามาไว้ทำอะไรมีแต่จะเกิดโทษถ้าเผลอก็จะตกถูกกัดตายได้นี่ก็คือลักษณะของปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ ถ้ามีปัญญาแบบนี้แล้วจะสามารถละสิ่งต่างๆที่เป็นโทษได้ทั้งหมดและจะทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์โดยถ่ายเดียวเพราะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษและเห็นคุณของสิ่งที่เป็นคุณแต่การจะเห็นแบบนี้นั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติจะต้องมีการค่ำสอนตอนเองอยู่สมาเสมอถ้าไม่ได้ข่มสอนแล้ว จิดก็จะเสอแล้วก็จะหลงไปคิดแบบเดิมเดินที่เคยคิดมาก่อนเวลาใครมาชวนไปเสพสุราก็บอกว่าไม่เป็นไรเสพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองอก็มันก็เป็นการแก้ตัวทําให้ไม่สามารถที่จะเลิกเสพสุราได้ทุกครั้งเวลาใครเวลาอยากจะดดึงก็บอกว่าไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นี่คือลักษณะของคนที่รู้ว่าสุรานีเป็นโทษแต่ยังไม่สามารถเลิกได้เพราะไม่มีความอุตสาหะไม่มีความพยายามไม่มีขันติความอดทนไม่มีสมาธิที่จะดึงจิตไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความอยากได้ดังนั้นการที่จะเกิดให้มีปัญญาแบบภาวนาะมยะปัญญาได้ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรมคือจะต้องฝึกทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนเพราะการทําจิตให้สงบนี้เป็นการดึงจิตไว้จิตก็เปรียบเหมือนกับม้าตัวหนึ่งม้าถ้าเราไม่มีวิธีบังคับควบคุมให้ม้าหยุดม้าก็จะเดินไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่สามารถควบคุมม้าได้เวลาม้าพยศเราก็ไม่สามารถที่จะ หยุดความพยศของม้านั้นได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีฝึกมา้าเรารู้จักวิธีฝึกทําให้มา้านั้นหยุดตามคําสั่งของเราได้ต่อไปม้าจะทําอะไรก็ไม่สามารถทําไปตามอําเภอใจของม้าได้จิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ได้ฝึกทําสมาธิจิตของเรายังไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเรา เรายังไม่สามารถควบคุมบังคับให้จิตนั้นหยุดนิ่งได้หรือให้จิตคิดในสิ่งที่เราต้องการจะสอนจิตเช่นเราจะสอนให้จิตรู้ถึงโทษสองสุราจิตก็จะไม่อยู่กับความคิดแบบนั้นเราอาจจะคิดได้เพียงครั้งสองครั้งแล้ว เ, เดี๋ยวจิตก็จะแวบออกไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเมื่อไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะลืมถึงโทษสองสุราที่เราพยายามจะข้ามสอน แต่ถ้าเรามีสมาธิคือเราสามารถควบคุมจิตให้หยุดได้ให้ทำตามคำสั่งเราได้แล้วเวลาเราจะสอนให้จิตให้รู้เรื่องของโทษของสุราถ้าเราสอนซ้องอยู่เรื่อยๆนักจิตคอยรับฟังอยู่ไม่ช้าก็เร็วความรู้ของโทษของสุรานี้ก็จะซึมซาบเข้าไปในจิตในใจและเมื่อถึงเวลาที่เกิดความอยากที่จะเสพสรา ก็จะมีปัญญาคือความรู้โทษของสุรานีสามารถมาหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสียสุราได้อีกต่อไปเพราะไม่มีใครอยากที่จะรับโทษไม่มีใครอยากจะตายก่อนวัยนั่นเองแต่คนที่เสียสุราแล้วยอมตายก่อนวัยก็เพราะว่าเขาไม่มีกําลังที่จะหักห้ามจิตใจของเขานั่นเองเขาไม่มีกําลังที่จะหักห้ามความอยาก เมื่อเกิดความอยากแล้วก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นไปเช่นเดียวกับการกระทำอื่นๆทั้งหลายที่เป็นโทษนั้นก็เกิดจากจิตที่ไม่มีปัญญาไม่มีภาวนามยะปัญญานั่นเองเพราะไม่ได้รับการไม่ได้ฝึกฝนจิตใจของตนปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามตามอัธยาศัยตามคำเพยใจ นึ่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทําไปพอเวลาไปทําในสิ่งที่เป็นโทษก็หักห้ามไม่ได้จนในที่สุดก็ต้องรับโทษนั้นไปด้วยวิธีตา่างๆบางคนก็ถึงกับต้องเข้าคุกเข้าตารางไปบางคนก็ต้องถึงกับถูกลงโทษประหารชีวิตหรือจะต้องเสียชีวิตก่อนไวไัยแรเช่นเวลาขับนถแล้วเสียชราจนมึนเรา เวลาขับรถไปก็อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจากเพราะว่าไม่มีปัญญาชนิดที่สามคือภาวนาเมยปัญญานั่นเองปัญญาชนิดแรกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ได้ยินได้ฟังกันเสมอมีคนคอยสอนคอยบอกคอยคอยประกาศอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่นเวลามีเทศการทีก็มีการนนารณรง์สอนบอกว่าอย่าไปขับรถในขณะที่เสพจรายาเมาแต่เนื่องจากว่าฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจไม่เอามาทบทวนไม่เอามาคอยเตือนใจนั่นเองฟังมันเหมือนกับเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปปัญญาแบบนั้นเลยไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรา เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาข้ามมาสอนมาเตือนเราอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วในไม่ช้าก็เร็วเราก็จะมีปัญญาที่จะหห้ า, าต่อสู้กับความอยากต่างๆได้แต่การที่เราจะทำให้เราสามารถข้ามสอนจิตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานนั้นเราต้องฝึกทำจิตให้สงบก่อน คือเราต้องสามารถควบคุมจิตให้อยู่ใต้บังคับของเราการทำสมาธิคือการทาจิตให้นิ่งนี้ก็เป็นการควบคุมจิตใจนั่นเองถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เราก็จะไม่สามารถอบรมสั่งสอนจิตให้เกิดปัญญาภาวนามายะปัญญาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถ สอนจิตได้อย่างสม่ำเสมอเราก็ต้องมาทำจิตให้สงบ <c oughs> เสียก่อนพยายามหาเวลาฝึกทาจิตให้นิ่งทําสมาธิด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัด ก, ก็ได้ในเบื้องต้นอาจจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระไปก่อนควบคุมจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์ไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ คือให้มีสติควบคุมให้รู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังสวดมนต์อยู่เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้สวดไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยๆสงบตัวลงเพราะบทบ ท, บทสวดมนต์นี้เป็นบทที่กล่อมจิตให้สงบได้หรือถ้าเราไม่รู้จักบทสวดมนต์เราจะเพียงแต่ใช้คาบริกรรมเพียงคำเดียวก็ได้เช่นใช้คาว่าพุทโธพุทโธพุทโธ ก็ให้กําหนดจิตให้แล้วลือรู้อยู่กับคําว่าพุโทโธไปในใจอย่าให้จิตวับไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าจิตเลอคิดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ให้ดึงจิตกลับมาให้คิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราสามารถทําได้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงสูง่สมาธิจิตจะนิ่งจะสงบ ในขณะนั้นจิตจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเราจะเห็นคุณของสมาธิขึ้นมา ท, าทันทีเลยว่าเวลาทำจิตให้สงบแล้วเรามีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปแสวงหาจากสิ่งต่างๆภายนอกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเอาศสายผู้อื่นมาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาให้กับตัวของเราได้ โดยการควบคุมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกจริตกับเราถ้าเราชอบสวดมนต์ก็สวดไปถ้าเราชอบบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมไปหรือถ้าเราชอบดูลมหายใจก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูลมที่เข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่จุดเดียวจุดที่ลสมสองทัเข้าเวลาเข้าไปใน เข้าไปในจมูกก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาออกมาก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกให้รู้อยู่เพียงเท่านั้นรู้ว่าลมกาลังเข้าลมกำลังออกลมจะหายใจลมจะสั้นหรือจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงจะละเอียดหรือหยาบก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเพียงแต่ใช้ลมเป็นอารมณ์เกาะจิตผูกจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้น นี่เป็นวิธีทําจิตให้สงบทําจิตให้นิ่งทําจิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าเราทําจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิเราก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนจิตให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญญาในทางพุทธศาสนาที่สําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือ ความรู้ในสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายของเราเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราควรที่จ ะ, จะเจริญมรณารุศติอยู่เสมอคือสอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ นี่แหะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆวันวันหนึ่งถ้าเราสอนเราให้รู้อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นไปไม่ได้แล้วต่อไปจิตของเราจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะรู้ว่ามันเป็นความจริง เป็นความจริงที่ทุทกๆคนจะต้องประสบด้วยกันทั้งสิน้นกลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆแต่ถ้าไม่กลัวความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่เจริญธรรมะบทนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลืมไปเราก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆคิดสร้างนู่นทำนี่คิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดนี่เป็นความหลงผิดไป เวลาเกิดความอยากความโลภ ก, ก็จะยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าเราหมัน่นพยายามสอนใจเราอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยพอาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมถ้ามีอยู่พอเพียงมีความสุขอยู่แล้วกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะไปหามาอีกทำไม คนที่มีความโลภมีความอยากมากๆนี่เป็นเพราะว่าเขาลืมความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองเาะเขาขาดปัญญาทางพพุทธศาสนาเขาอาจจะเก่งทางความรู้ทางโลกอาจจะเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นมีปรรยามีปริญญาตรีโทเอกตา่างแต่ความรู้ทางโลกนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ จะเป็นความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาที่จะฉุดลากให้เข้าสู่กองทุกข์เสียมากกว่าดังนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อเราเรียนจบมามีความรู้สูงสูงทางโลกแล้วเราจะฉลาดเราจะเก่งถ้าเราฉลาดจริงเราเก่งจริงเราต้องอยู่เหนือความทุกข์ได้เราต้องไม่กลัวความแก่เราไม่ต้องกลัวความเจ็บ แล้วเราจะต้องไม่กลัวความตายถ้าตรบใดเรายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาที่แท้จริงเพราะพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกท่านท่านมีปัญญาชนิดนี้ท่านไม่มีความหวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บและความตายการใช้ชีวิตของท่านท่านจึงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะท่านรู้ว่า ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเรื่องความรง่ารวยไม่รู้ว่าจะเอาสมบัติไปทำไมมากม า, กายก่ายกองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองมีมากมายเท่าไหร่แทนที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายกลับเป็นเครื่องกดดันจิตให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปมากยิงย่งขึ้นไปเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความ พวงใหญ่ที่จะต้องคอยดูแลรักษานั่นเองคนฉลาดที่มีปัญญาแล้วจะไม่สะสมวัตถุทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบริษั ท, บ ร, ษทบริวารต่างๆทั้งหลายแต่จะหันมาสะสมอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในได้แก่ปัญญานี่เองเพราะถ้ามีปัญญาแล้วปัญญาจะคุ้มครองรักษา จิตให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายความมุ่นวายใจทั้งหลายได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาชนิดนี้เราก็ควรพยายามที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วเราถึงจะมีสมาธิที่จะมาอบรม่้มสอนจิตเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความเป็นความตายของชีวิตเรานั่นเอง แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทําจิตให้สงบได้ก็แสดงว่าเราขาดสติสตินี้เป็นตัวที่จะควบคุมบังคับจิตให้สงบนั่นเองถ้าเราไม่มีสติเราจึงเราก็ต้องมาเจริญสติก่อนการเจริญสตินี้สามารถเจริญได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถเจริญสติได้ เพราะว่าความว่าคำว่าสตินี้ก็หมายถึงคําว่าให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังฟังเทศเราก็ฟังเทศไปแต่ถ้าเราเราไปคิดเลือกเลยแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราไม่มีสติอยู่กับการฟังเวลาเราเขียนหนังสือเราก็ต้องมีสติอยู่กับการเขียนหนังสือถ้าเราเผลอไปเดี๋ยวเราก็จะเขียนผิด <C oughs> แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการเขียนหนังสือคําทุกอย่างที่เราเขียนก็จะไม่ผิดพลาดฉันใดแม้ว่าเราจะทําอะไรอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่เดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติอยู่กับอิริยาบถทั้งสนั้นะ <C oughs> คืออย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ดี หรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตกด็ดียกเว้นว่าถ้ามีความจะเป็นต้องคิดก็ให้มีสติอยู่กับการคิดนั้นโดยหยุดการกระทำอย่างอื่นเสียก่อนอย่าไปทาทั้งสองอย่าง พ, อพอร้อมๆกันเช่นรับประทานอาหารไปก็คิดถึงเรื่องต่างๆไปด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราไม่มีสติจิตเราไม่ สลับไปสลับมาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าจะรับประทานอาหารก็ให้รับประทานอาหารไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปคุยกันแต่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะคิดเรื่องอะไรก็นั่งคิดให้เสร็จเสียก่อนเมื่อคิดคิดเสร็จแล้วก็จะลุกไปทําอะไรต่อไปก็ไปทําแต่ให้มีสติรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลา ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวทำอะไรก็ตามทำะไรทางกายวาจาใจก็ให้มีสติรู้อยู่ทุกขณะเช่นขณะนี้ผู้ฟังกใกล้มีสติอยู่กับการฟังผู้พูดก็ให้มีสติอยู่การพูดแล้วการฟังการพูดก็จะไม่มีการผิดพลาดจะเกิดคุณจะเกิดประโยชน์ขึ้นมา <c oughs> ถ้าเราฝึกทาให้มีสติอย่างนี้แล้วต่อไป เวลาที่เราจะไปนั่งทำจิตให้สงบให้จิตอยู่กับพุโทโธก็ดีให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีจิตก็จะสามารถอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพุโทโธได้แล้วไม่นานจิตก็จะสงบลงเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการเจริญสติของเรานั้นมันไม่ค่อยเป็นไปสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นไม่อำนวย เพราะว่าสถานที่นั้นก็มีส่วนที่จะมีผลกระทบต่อสติของเราถ้าเราไปอยู่สถานที่ที่มีความจอแจมีความคลุกคลาดมีเรื่องมีราวมากสติของเราอาจจะไม่สามารถอยู่กับตัวเราได้เพราะจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยเบ่งเราไปอย่างเช่นเมื่อกี้เรานั่งฟังเทศอยู่พอมีเสียงดังขึ้นมาสติของเราก็หลุดไปแล้วหลุดจากการฟัง จิตเราก็แวบไปดูสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาหลังนั้นถ้าเราต้องการเจริญสติได้ผลดีเราก็ต้องหาที่วิเวกที่สง บ, บที่สนัดที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่ น, นรดผลทพะต่างๆเพราะว่ารูปเสียงกลิ่ น, นรดผลทพะนี้ถ้ามันมาใกล้จิตแล้วมันก็จะมากระทบกับจิตมันสามารถทาลายสติของเราได้ ดังนั้นเวลาที่เราแสดงธรรมหรือฟังธรรมนั้นจึงมักต้องการสถานที่ที่สงบเพราะเวลาไปแสดงธรรมหรือไปฟังธรรมในสถานที่ที่มีเรื่องราววุ่นวายจอแจแล้วจะไม่สามารถฟังหรือพูดธรรมะได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคอยขัดจังหวะอยู่เสมอ mm hmm. ดังที่วัยบริกรคอยเตือนอยู่เสมอว่า เวลาเทังพิธีกรรมจะฟังเทศฟังธรรมนั้นขอให้เราปิดเครื่องโทรศัพท์เราเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะดังขึ้นมาแล้วก็จะไปทำลายสมาธิของผู้ผู้ฟังและผู้แสดงไปพร้อมๆกันดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราหาที่เราที่เราอยู่นั้นมันไม่เหมาะสมกับการเจริญสติเราก็ควรที่จะหาเวลาว่างๆ มาอยู่ตามสถานที่สงบสงบัดเช่นตามวัดตามวาต่างๆที่เป็นวัดปฏิบัติที่มีความสงบแล้วมาฝึกเจริญสติเสก่อนถ้าเราเจริญสติได้แล้วเมื่อสติมีกำลังเราจะสามารถเจริญสติได้ในที่ที่มีความวุ่นวายเพราะเรามีพลังพอที่จะดึงจิตไว้ได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังเริ่มต้นใหม่ๆยังรู้สึกว่า ยังจเจริญไม่ได้แล้วเราปรารถนาที่อยากจะได้สติอยากจะได้สมาธิอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละเวลาอันมีค่าของเราที่เราใช้กับสิ่งอย่างอื่นทำกับอื่นทอย่างอื่นนั้นมาให้กับการจเจริญสติเพราะคนเราในชีวิตเราเวลามันวันๆึ่งก็มีเท่าๆกัน24ชั่วโมงท่านั้นเอง ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เวลาไปในทางใดถ้าเราใช้เวลาไปทางหาเงินหาทองเราก็จะได้เงินได้ทองถ้าเราใช้เวลาไปหาเพื่อนหาฝูงเราก็จะได้เพื่อนฝูงถ้าเราใช้เวลาไปหาธรรมะเราก็จะได้ธรรมะดังนั้นเราต้องช่างใจเราว่าอะไรมีคุณค่ากว่าเงินทองเพื่อนฝูงหรือธรรมะอะไรที่เป็นที่พึ่งให้กับจิตใจของเราได้เงินทอง เราอาจจะพึ่งได้เกี่ยวการดูแลรักษาร่างกายแต่เวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเงินทองก็พึ่งไม่ได้เพื่อนฝูงก็พึ่งไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เราจะพึ่งได้ก็คือปัญญาหรือธรรมะนี่เองเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตาม เช่นเกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดผาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่าจิตใจของเราได้เลยเพราะจิตของเรามีปัญญานั่นเองปัญญาจะสอนให้จิตปล่อยวางให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเช่นถ้าเรารู้ว่าฝนจะตก เราเตรียมร่มไว้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่ถูกกระทบจากฝนแต่ถ้าเราไม่รู้ร่วมหน้าว่าก่อนว่าฝนจะตกแล้วเราไปโดยที่ไม่มีร่มเดี๋ยวเราก็ต้องเปียกปอนกลับมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยปัญญา ปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงจะสาดจะแช่งให้เราแก่ให้เราเจ็บข้าหลายตายแต่จะเป็นตัวคอยเตือนเราเตือนจิตให้พร้อมรับกับสภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะผู้ที่รับรู้นั้นไม่ได้เป็นไปกับร่างกายนั่นเองผู้ที่จะแก่ที่จะเจ็บที่จะตายก็คือร่างกาย ร่างกายมันไม่รู้สึกตัวของมันเองมันแก่มันก็ไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บมันตายก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บแต่ใจต่างหากใจที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้รู้แต่ไม่มีปัญญาก็จะหลงหลงคิดว่าร่างกายเป็นตนเป็นใจเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยแต่ถ้าได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาแล้ว ใจจะไม่หวั่นไหวเพราะใจมีที่พึ่งนั่นเองเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่ทุกต่างไปด้วยเพราะสามารถรักษาใจให้สงบได้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกไม่กังวลแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติเวลา